สพลยานยานที่เก้าจุตูปปาตาานปรีชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรมยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องการตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งเพราะเป็นการรู้ด้วยทิพยญาติจักษุ ขอให้สังเกตข้อความในมหาสีหนาฏสูตรซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนสาวรีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์มนามได้ดีตกยากโดยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ลวงจักษุ ข, ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ซึ่งเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขายอมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยาเจ้าเป็นสัมมาธิฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขายอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ดูก่อนสาวรีบุตรข้อที่ตถาคตเห็นหมู่สัตที่กำลังจุดติกำลังอุบัตเลวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพัน์นสามได้ดีตกยากโดยทิพยจ์จากสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์ ยอรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือศีห์นาฏในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปข้อความในพระสูตรนี้ได้เคยอ้างมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่อธิบายเรื่องสัพพัทธคามิณีปฏิปทายานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง เพราะยานทั้งสองข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือการที่พระพุทธเจ้าจะทรงรู้แจ้งว่าคนที่ทากรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้รับผลอย่างไรนั้นจะต้องอาศัยทิพยจักษุและขอให้สังเกตว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงเหตุการณ์ในภายภาคหน้านั้นพระองค์ไม่ใช้การเดาหรือการคาดคะเน แต่พระองค์ทรงมองเห็นทีเดียวว่าผู้ที่ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้จริงคําว่าจุตูปปาตยานตามศั์แปลว่ายานที่รู้แจ้งเรื่องจุติและอุบัติจุติแปลว่าการตายหรือการดับและอุบัติแปลว่าการเกิดยานนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ที่พจักขู่หรือที่พยะจักสุกก็เพราะการที่จะรู้แจ้งเรื่องการตายและการเกิดใหม่นั้นต้องสามารถมองเห็นว่าคนที่กําลังจะจุติคือกําลังจะตายนั้นความจริงกําลังจะเกิดใหม่แต่ถ้ามองดูด้วยตาธรรมดาก็จะรู้แต่เพียงว่าคนนั้นกําลังจะหมดลมหายใจแล้วร่างกายอันนั้นในที่สุดก็จะเปื่อยเน่าผุพังไป ถ้าเห็นเพียงแค่นี้ก็ต้องบอกว่าคนนั้นตายแล้วศูญแต่สำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งมีทิพยาจากักษุทรงมองเห็นในใจในขณะที่อยู่ในสมาธิว่าคนที่กําลังจะตายก็คือคนที่กําลังจะเกิดใหม่เพราะทุกคนในขณะที่กําลังจะสิ้นใจนั้นจิตไร้สำนึกจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ซึ่งร่างกายอันนี้ เป็นร่างกายซึ่งเกิดจากใจล้วนและจิตไร้สำนึกที่สร้างร่างกายนั้นก็คือจิตที่เป็นวิบากและสภาพร่างกายที่เกิดใหม่จะดีหรือเลวอย่างไรจะไปอยู่ในพบหนภูมิไหนก็ทรงมองเห็นได้ชัดว่าเป็นด้วยวิบากของกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้และขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าร่างกายที่เกิดใหม่นั้น เป็นร่างกายที่มีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับกายเนื้อทุกประการถ้าหากว่าร่างกายของใครที่เกิดใหม่นี้จะมีความพิการเป็นต้นว่าตาบอดหูหนวกแขนด้วนหรือเป็นร่างกายที่ยังไม่หายจากโรคเดิมคือเมื่อตอนเป็นมนุษย์ตายด้วยโรคอะไรร่างกายที่เกิดใหม่ก็ยังมีโรคอันนั้นอยู่พระองค์ทรงมองเห็นชัดทุกอย่าง หรือร่างกายของผู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนจำไม่ได้เพราะไปอยู่ในภูมิที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยคือเป็นภูมิของโอปปาติกาล้วนๆพระองค์ก็สามารถที่จะจำได้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นอันว่าทุกคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ในภูมิไหนแม้จะไกลแสนไกล พระองค์ก็จะทรงสามารถที่จะติดตามรู้ได้ทุกแห่งด้วยเหตุนี้ปริชาที่กำหนดรู้เรื่องจุติและปฏิสนธินั้นจึงต้องอาศัยที่พยาจักษุและต้องอาศัยการระลึกชาติด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนเอาอไว้ในหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงและเรื่องสู่แสงสว่างในที่นี้อธิบายให้ฟังโดยสังเขปเท่านั้น หมายเหตุทั้งสองเรื่องนั้นจุมรมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงอานไว้แล้วนะครับและในเรื่องสภาพของร่างกายของโอปปาติกะหลังตายในที่นี้ทั้งกล่าวไว้คร่าวๆเท่านั้นยังมีรายละเอียดอีกมากที่แตกต่างกันไปหรือเป็นกรณีเฉพาะบางรายที่จะมีสภาพของกายทิพย์แตกต่างกันไปตามวิบากของแต่ละคนฟังเพิ่มเติมได้จากชุดแววเสียงสวรรค์และชุดโลกทิพย์ ของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่ก่อตั้งโดยอาจารย์พรปรตนานสุวรรณซึ่งชมรมผลดีก็จัดทำเป็นเสียงงานเวลาเช่นกันนะครับจากหลักที่อ้างมานี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะสอนศาสนาให้ผลอย่างสมบูรณ์นั้นผู้สอนจะต้องเป็นเหมือนกับนายแพทย์ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายและเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่นเมื่อเห็นคนทั้งหลายมีการกินอยู่อย่างนี้ระพฤตัวอย่างนี้หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจะทำให้เกิดโรคอะไรขึ้นมาบ้างแล้วโรคนั้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีอาการอย่างไรเจ็บปวดทรมานอย่างไรแล้วรักษาอย่างไรจึงจะหายหรือรู้ว่าโรคนี้เมื่ออยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางรักษาหาย พระพุทธเจ้าไม่เห็นคนใดประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรก็ทรงรู้แจ้งทันทีว่าคนนั้นจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ผลในชาติหน้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันซึ่งคนนั้นยังไม่ตายก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่คนเหล่านั้นเหล่านี้มีความสุขหรือมีความทุกข์มีความยุ่งยากลาบากต่างๆเกิดขึ้น หรือมีความเสื่อมความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตแล้วรู้เช่นนี้เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองจากข้อความในพระสูตรดังที่กล่าวมานี้เราจะได้ข้อคิดว่าการสอนศาสนาในปัจจุบันไม่ค่อยจะได้ผลก็เพราะผู้สอนส่วนมากไม่รู้แจ้งไม่แน่ใจว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีก ในเมื่อยังมีกิเลสกรรมต่างๆที่คนทั้งหลายได้ทาเอาไว้มันจะต้องให้ผลเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงการสอนชนิดที่เรียกว่าหลับตาสอนไปตามคำพีโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นแม้จะขยันสอนสักเพียงไรหรือจะลงทุนมากสักเพียงไรก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้น ก็ขอให้นึกถึงหลักในเรื่องจุตูปปาตยานซึ่งหมายความว่าใครก็ตามถึงแม้จะมีความรู้ปราดเปลืองในเรื่องศาสนาแต่ถ้าหากไม่มีความแน่ใจในเรื่องตายแล้วเกิดในเรื่องกฎของกรรมแล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้สอนศาสนาจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะไปหาคนที่ระลึกชาติได้หรือได้ตาทิพนั้น เป็นการยากที่สุดแต่บางทีเราก็ได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้หรือพระองค์นั้นองค์นี้สามารถระลึกชาติได้ท่านใดตาทิปอะไรทํานองนี้ข่าวในทํานองนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่สามารถจะนํามาพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับต่อนหน้าผู้รู้ทั้งหลายได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรจะละความพยายาม ในอันที่จะช่วยกันส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลที่ว่านี้ให้จงได้แต่อย่างไรก็ดีสําหรับในระยะแรกนี้ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่จะสอนศาสนานั้นถึงหากจะระลึกชาติไม่ได้ไม่ได้ตาทิพย์แต่ก็ควรจะมีความแน่ใจและมีความเข้าใจเหตุผลด้วยในเรื่องการตายและเกิดในเรื่องกฎของกรรม แม่เหตุผู้อ่านแม้ยังไม่ได้ตาทิพย์แม้ยังไม่ได้อภิญญาความรู้ในปัจจุบันก็พอจะเทียบเคียงให้เข้าใจเรื่องกฎของกรรมและชีวิตหลังความตายได้ระดับหนึ่งเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติของศาสตราจารย์ในแพทย์เอียนสตีเวนสันซึ่งท่านทดสอบทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานเอกสารมากมายให้ศึกษาหรือเรื่องการสะกดจิตระลึกชาติ ที่ต่างชาติทดลองกันอย่างจริงจังและเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่อยู่มากมายครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าต่อให้ไม่สามารถมีตาทิพหรือระลึกชาติได้ต่อให้ไม่มีอภิน ญ, ญาก็สามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้ระดับหนึ่งจัดทานศีลและภาวนาการทำสมาธิและเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อจิตสงบผ่องใสเป็นกุศลมีพื้นฐานของบุญระดับหนึ่งก็จะพอเข้าใจได้เองว่า บาปบุญพบชาติกฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่เป็นความเชื่ออยู่ลึกๆว่าน่าจะมีจริงก็เพราะว่าคนเรานั้นเคยเกิดตายมาหลายแสนหลายล้านชาติความทรงจำเก่าในพระวังกจิตหรือจิตไร้สํานึกนั้นจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วบุญที่เพียรสะสมซึ่งจะส่งให้ใจเป็นกุศลก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สะสมไว้ในจิตส่วนลึกนี้ได้ทีละน้อยไปตามลําดับนะครับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ให้ลองสารวจใจตัวเองว่าทำไมบางครั้งคนส่วนใหญ่นั้นทำไมถึงเข้าใจตรงกันว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ทำแล้วน่าจะบาปทำแล้วไม่สบายใจยิ่งคนไม่เคยมีศีลแล้วมาสมาทานรักษาอย่างจริงจังถ้าสารวจจิตย้อนหลังไปก็จะเห็นชัดนะครับว่าสมัยก่อนนั้นหลายอย่างคิดว่าไม่บาปหรือรู้สึกว่าบาปน้อย แต่พอเป็นคนมีศีลขึ้นมาแล้วจะเห็นชัดว่าหลายเรื่องเป็นบาปมากกว่าที่เคยคิดไว้อย่างไรจิต ท, ที่ปราณีตยอมคิดเห็นอะไรปราณีตไปตามลำดับนะครับ